พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทำบุญให้พอดีตัววันนี้ทางสถานีวิทยุ เสียงธรรมของพวกเรากระจายเสียงออกจากวัดกระจายเสียงออกจากวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีร้อยเจ็ดจุเมกะเฮิรตมนะเยเดห้มกะเฮิร์เดี๋ยวนี้กำลังก ร, ก, รกระจายเสียงที่หลวงพ่อพูดในขณะ น, นี้กำลัง ออกกระจายเสียงให้พี่น้องประชาชนในละแวกนี้ได้เข้าใจว่าวันพุ่งนี้เป็นวันที่23เป็นวันทอดกรถิ่นวัดของพวกเราเพราะฉะนั้นขอแจ้งข่าวให้กับชุมชนกลุ่มอําเภอนาโยงน้ำโสมบ้านผือสังคมปากชมในละแวกนี้ให้พี่น้องประชาชน ผู้ที่อยากจะมาร่วมงานกรถินก็เชิญนะวัดเราเป็นวัดสาธารณะเป็นวัดของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ช่วยช่วยเหลือชุมชนก็ไม่ได้เลือกบ้านผู้ใด ซ, ซื้อเครื่องมือแพทย์สร้างโรงเรียนให้กับประโยชน์พี่น้องประชาชนทุกทุกคู่ทุก ค, คน เพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือว่าวัดของเราเป็นวัดของพี่น้องประชาชนวัดสาธารณะแต่ถึงยังไงก็พระที่ท่านรายงานมาที่ท่านบอกว่าถึงพี่น้องประชาชนมามากมายหลายคนก็คิดว่าโรงทานคงจะเลี้ยงไหวนะในขณะนี้ผู้แสดงความจำนงที่จะมาตั้งโรงทานทวา ถวายอาหารพระทหารพระสงฆ์แล้วก็เลี้ยงผีน้องประชาชนที่มาร่วม ง, งานผู้จิตใจที่เป็นกุศลก็ได้มาแสดงความจํานงขอตั้งโรงทานทั้งหมด172โรสองรงนครนสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานก็คิดว่าอาหารน่าจะเพียงพอสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วม ง, งานในวันพรุ่งนี้นะก็ขณะนี้เขมีการเข้ามาร่วมทยอยเข้ามาแล้วล่ะ เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาร่วมงานของพวกเราที่มาตั้งโรงทานนะวันนี้เป็นวันที่22แล้วนะคณศธาญาติโย ว, วันนี้วันเสาร์ที่12 22ตุลาคมพุทธศักราช2559แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็อยากจะประกาศว่าวันนี้เป็นวันกระถิน ของวัดป่าบ้านตาดแต่หลวงพ่อพูดมาแล้วละ่ะเมื่อวานวันก่อนพูดติดต่อกันอยากจะแจ้งข่าวเหมือนกันแต่คงไปไม่ทันละวันนี้เพราะเป็นการทอดกรถินวัดป่าบ้านตาดจากนั้นก็เมื่อทอดกรินวัดป่าบ้านตาดและคณะทาญาิโยมผู้พูดที่มาทอดกรินวัดป่าบ้านตาดเขากระจายไปตามวัดต่างๆที่เป็นสิทธิ์เยาวนุสิทธิ์ของ องหลวงตาข อ, ขอให้พวกเราสืบสอบดูก็แล้วกันวันที่23่ามมีหลายวัดให้สืบสอบดูว่าพวกเราจะไปวัดไหนรับนับถือเรื่อมใสครูบาอาจารย์องคไหนก็ไปได้ตามมัธยายสายพวกเราเลือกไปเลยนะเลือกได้เลือกไปทําบุญทําทานกับครูบาอาจารย์วันที่23าวันพรุ่งนี้แต่วัดของเราก็จะมีการ ทอดกรถิน่นพิธีกรรมพิธีการของพวกเราก็คือเย็นนี้นะเย็นนี้พวกเราก็จะมารวมกันที่นี่แหละประมาณสักหนึ่งทุง่มประมาณนะพอมืดมืดะก็มาละทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วกว็ามาคงจะมีหลวงพ่อเขาคงจะพานนาไหว้พระทําวัดเย็นซะก่อนจากนั้นก็คงจะไม่มีการเจริญพุท ธ, ธมนต์จากนั้นหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดง เนี่ยกล่าวสมโภชนิยกถาปารับเรื่องงานที่จะทอดกระถินวันพรุ่งนี้มีพิธีกรรมพิธีการอย่างไรนะแล้วก็พร้อมกันก็จะมีการแจกของสำรวยนะของสำรวยก็นี่ยก็มีโย ม, มคุณโสมเสรารบุรีท่านทำกระเป๋ามากระเป๋าเล็กๆนะกระเป๋าไม่ใหญ่ๆเท่าไหรนะ่นั่น แต่มีคติธรรมว่ากฐินสามัคคีวัดป่านาคำน้อย23ตุลาคม59คติธรรมเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขาก็มีชื่อลุงพ่ออินถวายด้วยนะอันนี้ก็จะแจกวันพุ่งนี้นะแล้วก็พร้อมกันจะมี m อ3มพสามทั้งหมดมีอยู่สิบสองแผ่นอ่ที่จะแจกวันพุงนี้ด้วยแต่ว่าคงจะมาแจกทั้งทั้งสิบสองแผ่นนะคงจะให้คนรับแผ่นไปก่อนถ้าติดใจและยังค่อยมารับอีกทีหลังถ้าใครติดใจนะฟังดูแล้วเอออยากจะได้มวนนั้นมวนนี้อีกค่อยมาพูดอีกนะและก็พร้อมกันท่าน การรัตนะกับคณะญาติย้อมญาติโยมรถไฟเ็าก็เอาหนังสือพิมพ์หนังสือในนามของมูลนิธิวิริยะนะศีลวันวัดป่านาคำน้อยพิมพ์มาเป็นระรอกระลอกในช่วงข้าพรรษา12สิงหาวันเกิดหลวงพ่อและก็วัน ท, ทอดกะถิน ทอดกระถินจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งรวมรวมธรมเลิศรวมธรรมะเลิศกำเนิดกำเนิดมรกผลพิสุ์ที่ธรรมมาจารยุสอนคงเป็นของหลวงตานะแะ้วก็พร้อมพร้อมกันก็สารบัญคือโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทะัตะเถระ คือเจ้าของเจ้าภาพมูลนิธินะี่ท่านมีจุดประสงค์อยากจะเผยแพร่ธรรมะทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านเน้นหลวงปู่หลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ขาวแล้วก็หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาท่านเน้นสี่องค์แต่นี่พวกคณะจัดทำแล้วก็บอกว่า เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาท่านไม่ระบุท่านก็เลยใส่ เ, เพราะหลวงปู่เทศเป็นพระเถระผู้ใหญ่ลองจากในยุคสมัยนี้ที่มีอายุพรรษาท่านก็เลยเทำธรรมเทศนาหลวงปู่เทศทเทศรังสีและก็หลวงปู่ขาวอนารรโยและก็หลวงปู่ฟันอาจารโณวันพุงนี้จะมีการแจกนะหนังสือเล่มนี้ ให้พวกเราฟังดูทีธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านพูดอย่างไรหลวงปู่เทศท่านเทศนาว่าการอย่างไรหลวงปู่ขาวท่านให้คติธรรมอย่างไรหลวงปู่ฟัน่นท่านให้อย่างไรเพราะนั้นจะมีการแจ ก, ก MP3 มามละหนังสือแล้วก็มีของสํารวยติดบ้างผู้ที่คันศรัทธาญาติโยมที่มาในวันพรุ่งนี้นะ อันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกๆท่านถ้าว่าผู้ที่สนใจถ้ายังไม่ได้ก็บอกวันพุธนี้นะหลวงพ่อคงจะแจกแจกให้ทั่วถึงนะั่นแหะแต่ไม่แจกแต่เด็กถ้ามีลูกหลานมาครอบครัวมาห้าคนเอามามาเอาห้าคนไม่ให้นะให้รู้แก่ใจให้ครอบครัวละหนึ่งชุดนะเท่านั้นแหละพอเอาไปแล้วก็ไปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อเอาไปเก็บไปซื้อไปขายอย่างอื่นอพอได้ของฟรีเราก็รับไปไม่อั้นไม่ขอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันพวกเราต้องมีน้าใจขนาดท่านผู้แจกท่านก็ยังมีน้าใจให้พวกเราจะมารับนี่มารับด้วยความโมโล่โลภหัว โ, โ, โมโกณนะด้วยความอยากไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละดัะนั้นขอให้ลูกหลานคณะพรจาาญาติโยมน ะ, ะวันพวกนี้ แล้วก็เมื่อตอนเช้าคงจะบินทบาตรอบศาลาหลังนี้แหละเหมือนพวกเราเคยทําทุกปีนั่นแหละบินทบาทตั้งสายคณะกรรมการเขาจะจัดสายให้เดินพระเดินบินทบาทคงจะเป็นสองสายนั่นแหละพอบินทบาทเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาศาลาพอศาลาเสร็จแล้วพวกเราก็กล่าวคำํำไหว้พระยอดก็สมาธิคงจะไม่ธรราดาสินะว่าเอ พอไหว้พระยศแล้วก็กาวคําถวายทานแล้วก็มีการถวายพระราชกุรุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราด้วยแล้วก็ถวายทานให้กับญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของเราด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราได้มาทําบุญทุกครั้งได้มาบําเพ็ญกุศล จะเป็นวัดใดก็ตามจะมาวัดหลวงพ่อก็อตามถ้าเราทำสิ่งไหนที่เป็นกุศลก็ขอให้พวกเราพระศกในกรทุกหมู่เราควรจะน้อมจิตถาวายเป็นพระราชกุศลต่อพ ร, ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกครั้งเพราะว่าพระองค์ท่านทำคุณูปการให้กับประเทศชาติโครงการไม่ลูกกี่กีโครงกา ร, ร, กกรกาดวงวิญญาณพระองค์ท่านสิ่งสถิตยอยู่ณถินใดก็ขอให้ได้รับส่วน คุณสุนรศลที่พวกเราได้น้อมถอยเป็นพระราชกุศลรทุกครั้งพร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายาที่เป็นพระศกนนกรในช่วงที่พระสบอยู่ในบ ร, บ ร, รมโกศพวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีคือจะไม่ให้มันเกิดเรื่อง ในช่วงนี้คล้ยคยายๆกับว่าคดีความทั้งหลายแหล่ที่จะตัดสินเ ข, ข, ข, ข, ข้าโคกเข้าตารางนะอย่าได้มีในช่วงนี้ข้าพเจ้าจะสํารวมกายวาจาใจของข้าพเจ้าเพื่อบูชาพระคุณของพ่อของแผ่นดินพวกเราน่าจะคิดอย่างนั้นนะประสบในกรอทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อขอแผ่แล้วว่าขอบิณฑบาตกับพวกลูกหลานทุกคนนะ อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีอดซะก่อนทำอะไรทำด้วยขันติอย่าไปบู้วามถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานจะเป็นใครก็ตามกับพ่อกับแม่ก็ตามกับหมู่กับเพื่อนก็ตามถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์โมโหโกธาไม่ดีเพราะนั้นต้องอดซะก่อนในช่วงนี้ต้องใช้ขันติ ความอดทนใช้ปัญญารอบรู้ในเรื่องนั้นๆเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไงมีมากมายที่เราจะต้องแก้ไขถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็หลบหนีซะให้ออกห่างจากกันดีกว่าจะมาเผชิญหน้ามาชนกันถ้ามามีโอกาสที่จะชนกันก็เอาพูดกันแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันทุกคนให้มีน้ําใจต่อกัน ถ้าพวกเรามีน้ำใจต่อกันอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุกนะั้ลูกหลานนะถ้าหากว่ามีแต่โลโภโมโกนะมีแต่อารมโมโหโกธาสุนเฉียวต่อกันอยู่ด้วยกันสองคนก็ทะเลาะกันไม่ว่าหลายคนเถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยความมีน้ำใจด้วยความเมตตาด้วยขันติคือความอดทนอยู่กับพ่อกับแม่ อยู่กับสามีภรรยา ล, ลูกหลานญาติโกโหติกากูบาอาจารย์ก็อยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยเหตุด้วยผลถ้าอยู่ด้วยกิเลสนะั้นมองกันในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะถูกต้องนะต้องมองกันในแง่เหตุแง่ผลจะมีอะไรในใจก็ถามถามไถ่ถ้าว่าพอที่จะถามกันได้นะ เ, เสียแต่โอกาสไม่เหมาะนะเราก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนั่นะสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะให้ใช้ปัญญามองเหตุมองผลมองสูงมองต่ำมองซ้ายมองขวามองให้รอบด้านต้องใช้ปัญญานะถ้าพวกเราใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอยู่นัถานที่ใดนะคงจะไม่มีเรื่องราว เ, เกิดขึ้นเพราะจะมีเรื่องราวเราก็หลบซะต้องใช้ปัญญาพิจารณ า, ารู้จักรู้จักหลบรู้จักหลีกในการดูด้วยกันแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวาให้ฟังนั่นแหละาการกระถินงานกรถินของพวกเราก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวลูกหลานคณะสัตยาญาติโอมได้ยินข่าว วัดครูบาอาจารย์แล้วว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยขอเชิญขอบอกกล่าวเอามาร่วมงานกระถินจะตุปใจที่ได้จากงานกระถินหลวงพ่อจะทำยังไงปีนี้บางคนก็อยากจะรู้อยากจะเข้าใจแต่เมื่อกี้นี้นะคุณยมนายทวีสันวิชัยวงศ์เสียโตเมืองขอนแก่นบริษัทท่าพระแท็กเตอร์ และก่อสร้างจำกัดจังหวัดขอนแก่นอันนี้ท่านคุณโยมกับครอบครัวพ่อตาแม่ยายมาทําสะพานให้หลวงพ่อนะเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยปีนี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษาจนะัดพานหลวงพ่อไงโอ้แต่ใช้ดีๆสะพานคอนกรีตนะหมดไปหลายเงินเหมือนกันแต่นี้ท่านเสียโตกัมาบอกกับหลวงพ่อเมื่อกี้นี่ว่าหลวงพ่อได้รับ ที่จะสร้างถวายเจดีย์องคหลวงตาที่รับไว้นั่นห้าสิบล้านบาทนะนกบผมพอสมทบกับหลวงพ่อนะหนึ่งล้านบาทนะเมื่อกี้นี่นะพวกเราอนุโมทนาเนะ่สาธุนะเออนี่ยนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อรับไว้แต่จะถวายหลวงพ่อสุดใจก็ได้แต่จะมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อรนะวับรับไว้ละห้าสิบล้านนะ ถึงหลวงพ่อรับไปหลวงพ่อยังพูดอยู่ตลอดเวลาเรื่องเจดีย์องค์หลงตาถ้าได้เมื่อได้สร้างเมื่อไหร่ได้ทำเมื่อไหร่นะหลวงพ่อก็จะโอนก็เป็นละลอกละลอกละลอกพอหลวงพ่อรับไปแล้วหลวงพ่อต้องมีความศัตว์จริงเมื่อรับไปแล้วกันะต้องปฏิบัติตามนั้นพอหลวงพ่อพูดต่อหน้าพระพักตร์ของทูกระหมอ่อมที่ท่านมาวางสีละเลิก ที่วัดป่าบ้านตาดมีพี่น้องประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพระสงฆ์เต็มศาลาใหญ่วันนั้นนะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าในกลุ่มของพวกเรากลุ่มวัดป่านาคำน้อยของพวกเราเนี่ยขอจะหาทุนเพื่อสมทบเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ย ที่เราที่หลวงพ่อรักเคารพหรือพวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสในองค์หลวงตาจะขอร่วมสมทบสักรวมได้สักห้าห้าสิบล้านบาทหลวงพ่อก็พูดในที่สาธารณะจากนั้นหลวงพ่อก็เองได้ก็เก็บรวบรวมมาเรื่อยๆอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็มีมากมีน้อยเท่าไหร่นะหลวงพ่อก็จะนะวันสุดท้ายนั่นแหละถึงจึงจะแจ้งแต่ถึงยังไง หลวงพ่อขอบอกกล่าวให้ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจในเรื่องจตะตกปัจจัยที่หลวงพ่อได้ประกาศไป น, นั้นถ้าหลวงพ่อเองมั่นใจหลวงพ่อจึงได้ประกาศออกไปคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ถึงอย่างไงบางคนบางท่านแบางศรัทธาญาติโยมก็บอกว่าเอา้าทําไมหลวงพ่ออินเปิดประกาศอย่างนี้เหมือนกับดูดเงินเข้ามาหาตัวเองเพื่อเปิดบัญชีให้เงินเข้ามาตัวเอง หลวงพ่อบอกประกาศไปรู้ว่ากี่ครั้งเราบอกว่าเอาเถอะเพื่อความไม่ให้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันนะถึงศรัทธาญาติโยมลูกหลานนั่งอยู่แถวนี้่ยเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเปิดเลยเปิดว่าเพื่อสร้างเจดีย์องค์หลวงตาเปิดบัญชีทุกคนนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา ตั้งแต่หลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีหลวงพ่อวันชัยหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดธรรมใครที่เป็นลูกศิษยานุสิทธิ์ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเปิดบัญชีพร้อมๆกันเลยเอาต่างคนก็ต่างรับเลว่าคนละห้าสิบล้านห้าสิบล้านเหมือนหลวงพ่อที่แหละเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันนะหลวงพ่อว่าเพียงยี่สองค์เท่านั้นเงินพันล้านที่เราต้องการน่ะ ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนั้นไม่ต้องพูดกันใครจะเปิดบัญชีเพื่ อ, เ, อ, อเพื่อบำรุงเพื่อสร้างเจดียพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะีก็เปิดได้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครใกีดกันแต่ลุงพ่อเปิดก็ลงพอ่อยังเปิดได้ใช่ไหมละ่ะพวกพี่พี่ น, อนออ้องๆเอใครจะเปิดเพื่อ เอาบัญชีเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีถวายองค์หลวงตาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก็ไม่น่าจะผิดข้อต้องกา์ให้ซื่อตรงเท่านั้นแนหะเจดจิตใจตัวหนึ่งคิดว่าจะจะสร้างเจดียแต่ใจตัวหนึ่งเป็นหลอกลวงประชาชนเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอันนั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกอพญายมพบานเท่านั้นจะรู้เอ้อเมื่อมึงตายไปเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นหละ พยายมพ่อบาลจะเอาไม้ค้ำคอคนคนนั้นน่ะพระอกนั้นแหละศรัทธาญาติโยมคนนั้นแหละเขารู้อยู่แล้วว่าใครทำกรรมดีกรรมชั่วเพราะนั้นผู้ที่ทำต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาถ้าทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงเจตนาดีเป็นยังไงเจตนาเลวเป็นยังไงมันอยู่ในจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านทั้งหมดน่นะ เพนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัทยาธิยมทุกคนนะ เ, เราทําเพื่ออะไรทําเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงตาหลวงตามีคุณูปการต่อประเทศชาติต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหลวงพ่ออินเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงใครละ่ะหลวงตามีคุณูปการต่อหลวงพ่ออินเยหลวงพ่ออินจะน้อมนำอ่าปฏิบัติบูบชาหลวงพ่ออินก็มาได้ลดละพาพระเนนพระ ลูกหลานทั้งหลายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีขององค์หลวงตาจากนั้นก็พาศร้ายญาติโยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวขององค์หลวงตาจากนั้นเรื่องปฏิบัติปูชาเราก็พยายามทำออตามแนวแถวองค์หลวงตาผ่าดําเนินส่วนอามิตรจะูชาเมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วพวกเราจะบูชาพระคุณองค์หลวงตาด้วยอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็ต้องบอกกล่าว หรือกับกลุ่มของเราจะต้องเป็นอามิชบูชาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุดนะในหลักธรรมความสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบายอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรเราจะไม่ปีกไม่แวะเราจะไม่ทำสิ่งที่มันจะเสียหายทิงไหนที่มันจะเสียหายเราก็รู้แต่องค์หลวงตาท่านเคยไหมท่านอนวยความสะดวกไหม ท่านก็อานวยความสะดวกสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ฟันองหลวงตาเป็นประธานสร้างพิพิธภัณฑ์องหลวงปู่มั่นก็หลวงตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แต่สมัยนั้นค่าใช้จ่ายจะตุปปัจจัยศรัทธาญาติโยมก็ยังแคบอยู่ไม่กว้างเหมือนทุกวันนี้นะแต่ทุกวันนี้กว้างขวางเพราะฉะนั้นเราจะสร้าง จ, าจะจถวายความเคารพ ในองค์หลวงตาของพวกเราศรัทธาญาติโยมก็กว้างขวางเพราะนั้น เ, เราจึงได้คิดสร้าง เ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาที่วัดปาบันตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็เคยย้ำอยู่เสมอว่าการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเป็นหน้าที่หรือเป็นพูด เป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดก็คือหลวงพ่อสุดใจเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสพวกเราในฐานะที่เป็นอาวาสอื่นเราจะไม่ก้าวไกลนะเราจะไม่ก้าวไายเจ้าอาวาสในเมื่อเจ้าอาวาสท่านมกาีการตัดสินใจยังไงเราก็มบอบให้ท่านเจ้าอาวาสกับศรัทธาญาติโยมของท่านที่บัตตานะที่ท่านรู้ดูแลแล้วก็ใส่บาตร ถวายพระอยู่นั่นนะ่ะศรัทธาญาติโยมนั้นนะ่ะแล้วก็เจ้าอาวาสเลขคณะสิทธิอนุสิทธิพระสงฆ์ในวัดป่าบ้านตาดนั่นแหล ะ, เ, ะเป็นผู้ตัดสินใจนะแต่ถึงยังไงพระสงฆ์ก็ต้องขึ้นต่อเจ้าอาวาสคณะศรัทธาญาติโยมก็ต้องขึ้นต่อเจ้าอาวาสอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อจะต้องเป็นใหญ่กว่าพวกสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายทุกองคหลวงพ่อต้องการยังไง หลวงพ่ออยากจะทำอะไรในวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะต้องบอกจะต้องบอกกล่าวในจุดนั้นให้กับคณะสิทธิา ร, รุสิทธิ์ทั้งหลายฟังแต่องค์พระองค์ใดยอยากจะทำตามอาเภอใจอยากจะไดอ้อยากจะคิดอยากจะทำตามที่ตัวเองอยากจะทำก็ต้องออกไปจากวัดป่านาคำน้อยนะไปสร้างอยู่ที่วัดตัวเองจะทำยังไงก็ได้จะสร้างยังไงก็ได้จะรู้หลายยางไงก็ได้ จะไม่สร้างอะไรเลยก็ได้จะนั่งภาวนาะทั้งวันทั้งคืนก็ได้เยึดปฏิปทาขององค์หลวงตาพาปฏิปทาของหลวงตามีมากมายหลายๆอย่างนะถูกหลานนะเพราะฉะนั้นในเมื่อที่อยู่ที่วัดของหลวงพอ่อเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติตนอยู่ในในโอวาทอยู่ในแนวความคิดของหลวงพ่อนีนั้นก็เหมือนกันนะหลวงพ่อสุดใจที่อยู่วัดป่าบ้านตาท่านเป็นเจ้าวาดมีอํานาจมีอํานาจเต็ม ตามกฎหมายพัดพระวัดอื่นจะไปก้าวกายจะไปก้าวล่วงไม่ถูกทั้งนั้นแหละเพราะนั้นท่านจึงมอบให้ท่านเป็นใหญ่ให้ท่านเป็นผู้ชี้นำพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก็เป็นผู้ให้การสนับส น, นุนตักบาทใสบาทดูแลวัดของเขาอยู่ตลอดอย่างหลวงพ่ออินจะไปก้าวกายไม่ถูกเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น วัดป่าวันตาดเป็นวัดของพ่อหลวงพ่อก็คือหลวงปู่หลวงตาที่แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาทุกวันนี่กันเนี่ยด้วยบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาเป็นผู้เป่าขหมหอมเป็นผู้ตรุษาว่าเก่าหลวงพ่อก็อยอมรับน้อมรับในธรรมคำสอนขององค์หลวงตา เพาะนั้นหลวงพ่อออกมาณสถานที่นี่หลวงตาก็ยังเมตตา ม, มาช่วยวัดของเรากำแพงของเราเนี่ยเท่าไหร่ยาวตั้ง6กกิโลกิจเจ็รกว่าเมตรนะแล้วจากนั้นกระน้ำเท่าไหร่เขื่อนอีกเท่าไหร่แล้วของอย่างอื่นที่ท่านดูแลทางด้านวัตถุอามิตรเรื่องอามิตรก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่องค์หลวงตาเมตตาให้กับวัดของพวกเรา เพราะนั้นเมื่อดวงตาจุตินิราภานไปแล้วพวกเราก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะบูชาประคุณขององค์องค์ท่านนะปฏิบัติบูชาแล้วก็ปฏิบัติ บ, ต บ, ต บ, ต บ, ตบตูชาอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอามิดฉบูชานะพวกเราก็ควรจะมีเนะพราะนั้นจะเป็นกระถินผ้าป่าอย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็พยายามเก็บหอมลอมริบเพื่ อ, อ, อถวายเพื่อสร้างพระเจดีย์ ในเมื่อมันเกิดขึ้นนะแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะเกิดขึ้นนั่นแหละ เ, เพราะว่าจตุปัจจัยที่เขาถวายองหลวงตาที่ท่านทุดใจนะเปิดบัญชีไว้และทุนกระหม่อมที่ท่านเปิดบัญชีไว้ที่เราได้ฟังวิทยุตอนเช้าทุกเช้านะั่นนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะเขประกาศนะบัญชีของทุนกระหม่อมเลขที่เท่านั้นเท่านี้ถตผู้มีถวายแล้วก็ คล้ายๆก็มีใบอนุโมทธนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ก็ได้ยินแล้ว็ของท่านสุดใจอีกเหมือนกันบัญชีมีเท่านั้นเท่านี้แต่ทราบข่าวว่าเดี๋ยวนี้มีถึงห้าร้อยกว่าล้านแล้วนะเงินจานวนนี้นะที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาถ้าหากว่าไม่สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาละเงินจานวนนี้จะเอาไปที่ไหน เราก็ต้องถามกันเลยสิว่าเงินจํานวน500ร้อกว่าล้านนี่จะเอาไปไว้ที่ไหนใครจะเป็นคนเก็บนะ เ, เมื่อไปสร้างเพราะฉะนั้นต้องรีบรีบสร้างให้มันจบจบไปให้มันหมดไปเงินจํานวนนี้เพราะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาถวายเพื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาไม่ใช่เขาให้ทําอย่างอื่นไม่ใช่ขอไปให้สร้างวัดอื่นเขาไม่ใช่สร้างโรงเรียน เขาไมา่ให้สร้างอย่างอื่นเขาถวายเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเนี่ยแหละเราต้องรู้เจตนานี้ก็เหมือนกันศรัทธายาโสมถวายถึงจะถวายมากน้อยถ้าเขาระบุว่าเจดีย์หลวงพ่อก็จะเอาเข้าบัญชีเจดีย์ทันทีเลยจะไม่เอาไปที่อื่นนะถ้าว่าจะถวายเครื่องมือเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็เอาเข้าเครื่องมือแพทย์เลยถวายพระวัด ถวายพัทหารพระสงฆา n ้าข้าวไฟดูแลพระสงฆ์ในวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อก็เอาเข้าบัญชีวัดป่านาคำน้อยอแต่ตยังไงถ้าถวายเป็นส่วนตัวของหลวงพ่อก็มีนะแต่หลวงพ่อเนี่ยพ่อหลวงพ่อได้รับมาแล้วหลวงพอ่อเอาเข้าบัญชีวัดไว้อีก เ, เพราะเหตุอะไรเพราะหลวงพ่อเป็นคนของวัดนะ เ, เป็นคนของวัด เ, เราจะเก็บไว้อะไร พอหลวงพ่อบวชมาทั้งทีบวชมาตั้งแต่บวชมาเนี่ยบวชมาเพื่ออะไรอุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนาอุทิศตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศตนต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ในพื้นแผ่นดินไทยเรามีแต่หวังบุญกุศลเท่านั้นลหละเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแบบโลก โลกาเมตทั้งหลายทั้งปวงแต่เก็บไว้เพื่ออะไรมีมีความหมายในการเก็บเราเก็บไว้เพื่ออะไรแต่อไปภายภาคหน้าจะทําอะไรมันต้องมีนะแต่ทีอยังไงก็ตามก็ขอบอกกล่าวให้คณะทา ย, ยาทโยมทุกหลานลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังเรื่องปัจจัย4นี่ยหลวงพ่อไม่ให้พวกร้อนหนักใจเลยนะไม่ให้หนักใจกับหลวงพ่อเลยนะ ข้าอะไรใครอยากจะทําบุญเท่าไหร่ก็ตามความประสงค์อิสระในการทําบุญทําทานแต่ถ้าไม่ทําเสลยไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะขี้ตะีทีเนียวไปเหนียวไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่ทําบุญทําทานการทําบุญทําทานเกิดมาภพน่าชาติหน้าอเ น, นสงหารแห่งการทําบุญทําทานจะเกื้อกูลหนุ น, นพวกเราเกิดมาพบได้ชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่ยากเพราะอเ น, นสงทาน ถ้าคนขี้ตเนีทีเหนียวเกิดมามันต่างกันเลยนะทำไม่ทำมาค้าขายอะไรหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ยังไม่จบไม่คุ้มปากคุ้มท้องของตนเองเพราะอะไรเพราะในสงทานไม่มีเพราะนั้นเรื่องทานคำนี้เนะี่ยในหลักของพุทธศาสนาท่านเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าวดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายที่เราตถาคตได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วย อ, อันนี้สงทานเป็นพื้นฐานก่อนนะอันนี้สงทานนะแล้วต่อมาอันนี้สงศินจากนั้นอันนี้อันนสงภาวนาเนี่แหละทานสินภาวนานี่แหละเป็นหลักใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามในเกื้อการทําบุญทำทานการทําบุญทำทานนี่แหละปูทางไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ดนะเดี๋ยวนี้เป็นช่วงเทศกาลกระถิ่นพวกเราทำบุญทำทานแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อนนะทำตามกำลังความสามารถแต่ทาไม่ทำเลยไม่ถูกต้องถ้าทำเกินตัวก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันแต่โดยมากทำเกินตัวไ ม, ไม่ไม่มีหรอกมีแต่พวกออบองบองเออบางบางทีอาจจะมีอยู่นะ แต่ตรงพ่อว่าถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้รอบคอบแล้วนะการทําบุญทําทานนะมันจะพอเหมาะพอสมนะถูกต้องเป็นธรรมเมื่อเรามีเราก็ต้องมีกินมีทานแบ่งกินแบ่งทานให้มีกินและให้มีทานด้วยไม่ใช่จะกินแต่ใส่ท้องตัวเองนะการกินใส่ท้องตัวเองเหมือนกับเราขน ของไปโยนลงทิ้งในมหาสมุทรอย่างนั้นแหละขนไปขนไปขนไปกินโตละหมืน่นโตละแสนโตละล้านกินแล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายแล้วก็มาขนมากินอีกกินอีกกินเป็นโตถ้าหมืน่นถ้าแสนละล้านอีกไปถ่ายในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าเหมือนกับเราขนของไปโยนลงมหาสมุทรทะเลไม่เกิดประโยชน์อะไรได้อยู่ได้รัางไ ด, ได้เลี้ยงร่างกาย ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงถึงเลี้ยงร่างกายเนะี่ยแก่เจ็บตายก็คอยคอยพวกเราอยู่แต่ว่าการทําบุญทํากุศลนั่นแหะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานานเท่านานติดภพติดชาตินะเกิดพบใดชาติดนใดอนิสงทานเกื้อกูลหนุนจะไม่เป็นผู้จะเป็นผู้ไม่ตกต่ําพูดอย่างนั้นได้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกลูกหลานทุกคนนะฟังเอาไว้นะแต่การฟังทางนี้ทางนั้นก็ให้นําไปคิดนําไปพิจารณา การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหลวงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้ฟังประเด็นนี้นะลูกหลานนะประเด็นนั้นนะลูกหลานนะคิดอย่างนี้นะลูกหลานนะคิดอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อจะเป็นผู้ชี้ประเด็นให้ฟังแต่พวกเราก็นําไปคิดใชเอามือกา่ายหน้าผากคิดไตรตรองดูแล้วจากนั้นก็นําไปปฏิบัตินะนั่นแหะจะเกิดผลถ้าหากว่าพวกเราฟังไปแล้ว เออถลูกหูซ้ายถลุงหูขวาฟังไปแล้วไม่ใช่ใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ฟังอะไรเชื่อทั้งหมดเขาไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อพูดอะไรเชื่อทั้งหมดเออพระพุทธเจ้าวัดดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี่พูดไปเนี่ยเธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าขา่าทาไมพระสงฆ์ก็คือหากันบอกว่าสาษาบุตรหัวดือ้อหัวลันหัวแข็ง ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสขนาดนี้พูดขนาดนี้ยังไม่เชื่อนะ่พระพุทธองค์บอกวันดูก่อนสงเดี๋ยวเราจะถามสารีบุตรอีกทำไมสารีบุตรจึงไม่เชื่อที่เราตรัสพูดไปนี่เพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข้านะฟังเอาไว้เนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นมากมายเนี่ยให้ฟังไปแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายนำไปคิดนำไปพิจารณาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วจึงยึดจุดไหนที่เป็นประโยชน์กับตนเองหรือจับชุมชนกับชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ของพวกเรานะคณะจาติญาติโยมตอนนี้องไปพระสงฆ์ก็นโมทนาให้พรรับพรนัตตินีนะ